ทานังปฏิบัติเพื่งทราบอย่างถึงใจมากการโรคการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นจอาอำนาจครองโลกธาตุภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากจึงเหมือนกันกับการทำสงครามล้างโลกใครดีอยู่ใครไม่ดีไปถ้ากิเลสมีความฉนาดแหลมคมยิ่งกว่าทมที่เราจะนำมาใช้ทมภายในใจก็บันไั ใจตกเป็นทาสของกิเลสตลอดไปถ้าทำมาวุธเครื่องประหัตประหารของกิเลสที่เรานำมาใช้มีกำลังมากไปโดยลำดับกิเลสก็ทนความบันหลไม่ได้ใจก็เป็นอิสระ อย่างเต็มที่ประจักกับตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ทรงสนพระไทยว่าจะถามใครอีกในเรื่องความประจักแห่งความบริกจุดของใจซึ่งแสดงผลประเสริฐอยู่ภายในพระองค์ท่านไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงสนพระไทยจะถามใครแม้คนหนึ่ง ภายในโลกทั้งสามนี้ใจจึงเป็นทั้งครั้งแห่งความศกปิุกรีโสมมครั้งแห่งวัตจักเพราะยืดเป็นเจ้าอำนาจปกครอง ควบคุมใจอยู่ตลอดมาและเป็นครังแห่งความบริสุทธิ์พระเสริจสุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสินใดเสมือนเสมอเหมือนได้เมื่อสิ่งที่สกรปรกรกรุงรังคือ วัตจักรได้สลายไปจากใจหมดแล้วด้วยการปราบปรางโดยทางความเพียรและเครื่องมือที่ทันสมัยพระองค์จึงมีความสามารถฉลาดแหลมผมและทรงลุ่มอาจรล้าหารเต็มที่นับแต่ขณะที่เด็กดาษสรู้มาแล้วนำทำออกสั่งสอน โลกทั้งสามนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมผู้มีความมุ่งต่อความจริงอยู่แล้วจึงได้ถึงใจในขณะที่พระองค์แสดงอัดธรรมขั้นนั้นๆซึ่งเป็นความจริงด้วยกันตามส่วนแห่งธรรม ให้เข้าถึงใจหรือทราบซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่เมื่อการแสดงถึงโทษถึงภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจให้ถึงเหตุถึงผลถึงโทษจริงๆผู้ฟังก็ได้ฟังและทราบซึ้งถึงโทษในสิ่งที่เป็นโทษภายในใจจริงๆและได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นคุณ ให้ถึงใจจริงๆภายในใจของตนจากพระว่าของพระพุทธเจ้าแล้วความเห็นโทษและความเห็นคุนนั้นจึงเป็นกำลังไม่มีสิ่งใดเสมอได้อีกเช่นเดียวกันที่จะมีแก่ใจในสิ่งที่จะละหรือควรละก็ต้องละด้วยความถึงใจ สู้กันถึงเป็นถึงตายในสิ่งที่จึควรบำเพ็ญมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อถึงจุดหมายปรายทางอันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างถึงใจนั้นก็ทำอย่างถึงใจสุดท้ายชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ร่างในสกลนาการความผุกความผุกที่เป็นอยู่ในธาในขัน ไม่มีอาการใดสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินด้วยความเห็นคุณและเห็นโทษอย่างถึงใจนั้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างถึงพระทัยหรืออย่างถึงใจทรงสั่งสอนสัตว์โลก ด้วยพระเมตตาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันและทมนั้นก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาดคลาดเรื่อนตรงกับคาว่าสวขาตธรรมตราบไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมไม่มีแง่ที่จะสงสยัยทรงแสดงสิ่งใดว่าผิดต้องผิดไปตามที่ทรงแสดงนั่นแท้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 ด้วยเหตุนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าสาวกองใดมีความห่วงใยปัวพันกับลูกกับหลานกับบ้านช่องสมบัติภระสานโยธาบรรดาศักดิ์มากน้อยเนื่องจากได้เห็นคุณเห็นโทษแล้วอย่างถึงใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มใจจาก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 เพื่อนำตนให้ประกอบความพาเพียรเพียรอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้กิเลสจึงต้องขาดไปเรื่อยๆสถานที่อยู่ก็มุ่งแต่จุดสำคัญสำคัญที่จะเป็นฐานที่ฆ่ากิเลกได้เป็นอย่างดีอาหารการบริโภคก็ มีความมุ่งหมายต่ออาหารประเภทสัปปายะคือฉันลงไปแล้วเ ป, เป็นเครื่องสนับสนุนความภาคเพียงโดยถ่ายเดียวพอและพอยังขันให้เป็นไปเท่านั้นมาเด้กต้องการความอร็จอร่อยในรสในชาติของอาหารประเภทนั้นๆซึ่งเคยรับมาแล้วอย่างจําจีไม่เห็นได้รับความวิเศษวิโสประการใดเลย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 ท่านองนั้นมาจากชาตินั้นวันนั้นฐานะ น, นั้นเป็นต้นสนใจแต่ว่าเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นเครื่องส่งเสริมสติกําลังศรัทธาความเพียรหรือปัญญาทุกแง่ทุกมุมที่จะให้มีกําลังมากขึ้นเพราะการคบค้าสามาคมหรือสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ทำไมทาที่มุง่งที่ปรารถนาอยู่อย่างเต็มใจและสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่จะส่งเสริมธรรมที่ปรารถนานี้ให้มีกำลังมากะูขึ้นโดยลำดับแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองยิเดจะไม่ค่อยเหือดแห้งหมดไปได้อย่างไรยิเดต้องค่อยหมดไปธรรมที่พึงปรารถนาะ นับตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบปล่มเย็นภายใน จ, ใจิตใจไม่พุ่งสร้าง น, นำคาญวุ่นวายสายแสบไปตามอารมณ์ที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและฝักไฟในธรรมอันเป็นอารมณ์เครื่องแก้กิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สศกรปรกนั้นโดยลําดับลาดานในท่าอียบท ต่างๆและสถานที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาทาทั้งหลายที่จะพึ่งปรากฏดขึ้นใครเป็นผู้มีเจตนาใครเป็นผู้มุ่งมั่นต่อทาเหล่านั้นใครเป็นผู้คิดดำดิ่แง่ต่างๆแห่งธรรมที่จะให้เป็นไปตามธรรมที่ตนต้องการนั้นก็คือใจ ใจเป็นผู้ดำเนินงานใจเป็นผู้ประสงค์ที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรละควรถอนใจจึงต้องรู้ทั้งวิเลตที่หมดไปมากน้อยภายในจิตใจและรู้ทั้งธรรมที่ปรากฏขึ้นมากน้อยภายในจิตใจมีสมาธิธรรมเป็นตน้นโดยลําดับลําดับ นี่คือทางดำเนินของผู้จักหรือพบหรือชาติหรือวัตตะสงสารหรือกองทุกทั้งมวลซึ่งเคยแบกเคยหามเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแต่กับใดกันใดก็ตามมีใจเป็นตัวการสาคัญที่ฝังเชื่อไว้ภายในตนเพื่อจะตั้งป่าช้าในภพนั้นภพนี้มีวิบาก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 ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏอย่างเด่นชัดแล้วในตำลาออกมาซึ่งออกมาจากปัจจุบันของแต่ละองค์องค์ที่ได้สดบะรับฟัางจากพระเจ้าแล้วบำเพ็ญอย่างถึงใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นลำดับตําดากลายเป็นพุทธังธรรมังสังฆังแสนังกชามโลกจาก า, ามิของโลกได้อย่างเปิดเผยทําเหล่านี้ไม่ใช่ทําสักแต่ว่าําพูด ไมใ่ใช่ทำคาดคนีดาวเอกไม่ใช่ทำลวงโลกแต่คือทำของจริงเราอยากทราบทำของจริงนี้ประจักษ์ใจพึงปฏิบัติตามพระโอาวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าติ่ชี่ไว้แล้วโดยถูกต้องทุกแง่ทุกผู้ทุกมุมนี้น้ำหนักของธรรมที่จะให้เป็นที่อบอุ่น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 ให้ความสงบสุขเย็นใจเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ตนกิเลสประเภทใดก็ตามซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจจะไม่ล่อยหลอไปบ้างเหลยแยะนิดนอกจากจะเป็นการสร้างกิเลสความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนว่าจดจำาวิเรียนได้มากน้อยเท่านั้นเลยขัดกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อแก้เพื่อผดถอนกิเลสอาสวะไปเสีย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 เพราะการศึกษามานั้นเป็นแนวทางที่ถูกตั้งต้องแล้วเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินโดยความถูกต้องย่อมจะถึงผลเป็นที่พอใจเป้นขั้นๆิภูมิไปโดยลำดับและเป็นความจริงประจักษ์ใจไม่ให้วันไหว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 ปกติของจิตจะสร้างตั้งแต่วัตจักรวั ต, ตวุลสร้างแต่พิษแต่ภัยด้วยความคิดตรุ่งต่างๆไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวล า, วลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสที่ผิดงานให้แก่สัตว์โลกจะรับความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาเป็นเช่นนี้ทุกหัวใจของสัตว์โลก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 นั่นและเรียกว่าวิธีการที่เป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากงานที่เราทำปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาตามขัน้นตามภูมิของตนจนมีความแน่นหนามัน่นคกนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลาดับจะปรากฏขึ้นที่ใจใจเป็นภาชนะใจเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายมีมากน้อยอยาบละเอียดจนถึงขั้นวิมุตสูงสุดหลุดพ้น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 ด้วยทำเสมอข้อคิดใดก็ตามถ้าเป็นข้อคิดความคิดที่จะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวาย ร, รับความทุกข์ความคิดนั้นเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเป็นกลมายาหรือกลนอุบายการกระทำของยิเลสทั้งหมด ความคิดความปรุงใดแม้จะลาบากในขณะที่คิดที่ปรุงด้วยเจตนาดังเราทั้งหลายประกอบความภาคเพียรต้องถือจิตเป็นตัวงานยอมจะรับความทุกข์ความลาบากเช่นเดียวกันแต่ผลปรากฏเป็นความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาและความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นเหตุเห็นผลตามหลักความกินของสัตว์จะทำซึ่งเป็นธรรมของริงมาดั่งนดิ โดยลำหนับจนรู้แจ้งแทงทะลุความละหมากเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นฝ่ายผิดจัดว่าเป็นงานเครื่องปราบปรามที่เหล็กเราเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปธิบัติขอให้ถืองานนี้จับงานนี้อย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับเราเข้าสงครามอย่าปล่อยอาวุธ อย่าเผอตัวอย่าเที่ยวเพลิดเพลินให้มีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะโดนค่าศึกปราบปรามให้แหลกทั้งๆ ท, ท, ที่เราต้องการใยชนะก็จะเหลือแต่ซ่ากระดูกเท่านั้นไม่มีจิิงใดที่ปรากฏว่าเป็นของดีขึ้นมาเลยในการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสทุกประเภท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 กลายเป็นผู้หมดป่าช้าทั้งๆ ท, ที่กิจที่เคยเป็นนักจับจองป่าช้าก็ยังครองตัวอยู่ทั้งรู้รู้เห็นๆ น, นี่แหละแต่ซากป่าช้าหมดไปแล้วเชื้อของป่าช้าก็หมดไปแล้วภายในใจเหลือแต่ใจรุน่นล้วนไม่มีป่าช้าไม่มีซากแห่งกิเลสทั้งหลายเหลืออยู่ นั่นคือท่านผู้บริสุทธิ์นั่นคือท่านผู้ลบล้างป่าช้าได้แล้วภ า, ายจในจิตใจรู้ชัดโดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าเลตรัรสรู้ขึ้นมาก็ตามพระสาวกองใดที่ได้บรรลุทำตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยข้อปฏิบัติของผลก็ถาม ไม่ถามผู้หนึ่งผู้ใดให้เสียเวลาเวลาให้ขายโง่เพราะไม่มีความโง่จะขายแล้วภายในจิตซึ่งเต็มไปด้วยความฉนาดแดลมคมและบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ทาอยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังการพิจารณาสิ่งใดอย่าทำหรอกเลี่ ทมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทมหล่อนแหละไม่ใช่ทมอ่อนแอความอ่อนแอก็ดีความขี้เกียจที้คลานก็ดีความมักง่ายความซัพเพ่าก็ดีราคาความกำหนัดยินดีในอารมณ์ต่างๆก็ดีนี่คือตัวกิเลสทั้งหมดโทสะความหงุดหงิดพนาจิตใจโมหะความรุ่มหลง ฝังจมอยู่ภายในใจสุ่มอยู่ตลอดเวลาจนหากเวลาที่ปัญญาจะแยบออกมาไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสทั้งหมวสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องครอบงมจิตใจของสัตโลกให้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศมาทาให้ทุกข์ความหิวความกระหายความขาดตก บ, บกพร่องปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆภายในร่างกาย มาทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้ยอมรับกันทั้งโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสัมผัสสัมผัสเพราะธาตุขันนั้นเป็นกองอนิจจังทุกขงขังหน้าตาทำไมจะไม่ผ่านสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงขังหน้าตามาด้วยกันนั้นได้ต้องผ่านสาวกทั้งหลายก็ผ่านเป็นเช่นเดียวกับเราเร า, เราท่านทัดแต่สำคัญที่จิต ไ ม, company, ไม่มีความยึดความถือรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ธรรมชาตินั้นแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งอนิจจ so ังทุกขังตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรผัดผัดผันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นกงจักรเพราะเป็นวิวัตจักรแล้วจึงอยู่ในท่ามกลางแห่งขันด้วยความบริสุทธิ์วิมุตติบุตรผลไม่มีขันใดที่จะเข้าไปแทรก ไปสิงไปทำลายความบริสุทธินั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนั่นะทำแท้เป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าทำแท้อยู่ที่ไหนหคิดว่าทำแท้นั้นอยู่ที่ความเพียรเป็นพื้นฐานความอุส่าหพยายามเป็นพื้นฐานความอดความทนเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดอัดเกิดทำขึ้นมาโดยลำดับ แล้อยากคิดว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นได้ที่ไหนซึ่งเป็นตามความคาดคะเ น, น่ก่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ฆาตพาให้เดาด้นเดาแล้วก็สร้างความท้อแท้อ่อนแอความหมดกําลังวางชาความเฉื่อยชาของใจให้แก่ใจได้รับความลําบากอยู่อีกนั่นเองมีตั้งแต่กลมายาของกิเลสทั้งนั้นน้อมเต็มอยู่ภายในใจิตใจ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 เพียงชาติปัจจุบันนี้ธาตุขันของเราเป็นอย่างไรเดินเข้าไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่ตาช้าผีดิบเกือนขนวุ่นวายสายแสลดิ้นรนกัดแกลงกระเสือกกระสนไปได้วยความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยโรคภัยค่าเจ็บประการต่างๆเ ต, ต็มไปหมดทุกห้องทุกหับทุกเตียง กูเข้าไปเยี่ยมคนไข้ก่็หน้าเศร้าเหนาหงอยนั่นเป็นอย่างไรนี่คือกองอนิจจังทุกขังตาคือกองทุกควรจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีแล้วในปัจจุบันนี้เราเองก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาล น, นั้นแต่ก็ยังต้องได้บำบัดรักษาตนด้วยหยุดด้วยยาเท่ากับว่าเราอยู่โรงพยาบาลของสถานที่ที่เราพักอยู่ หืออยู่ในกุฏิในศาลาพยาบาลด้วยยุบด้วยยาไม่เช่นนั้นก็ต้องลําบากําบนต้องบ้านเทากันไปเช่นนี้เห็นประจักษ์นี่เป็นส่วนท่าส่วนฐันความโบกคล้องในปัจจัยทั้งสี่คือเครื่องลุ่มห่มใช้สอยอาหารการบริโภคขาดยุกขาดยาเพียงเท่านี้ก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมา จนกระทั่งปัจจุบันเราจะสงสัยไปที่ไหนอีกว่าธาตุฐานอันนี้จะเป็นหอปราสาราชมณฑเทียนเป็นรมโลกเป็นนิพพานให้เห็นได้รับความสุขความสบายพอจะเพลิดเพลินเรื่นเริงกับมันเสียจนดื่มเนื้อดื่มตัวอันเป็นเรื่องของการถูกกล่อมจากกิเลสให้หลับสนิทมิดจมโดยไม่รู้สึกตัว นี่พูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันอาพูดถึงเรื่องจิตใจมีเวลาไหนการใขาดขณะใดบ้างที่เราได้รับความอิสระเสรีมีความอยู่สะดวกสบายไม่มีเรื่องมีราวก่อกวนาน จ, จิตใจเพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้ทำงานผิดทุกขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเหลานั้นไม่ความโลภ ก, ก็ต้องความโกรธ ไม่ความพอใจก็ความไม่พอใจไม่รักก็ชังกำหนัดยินดีติดนั้นติดนี้อยู่เช่นนี้ซึ่งเป็นการสร้างเหตุเพื่อผลให้เกิดความทุกข์ร้อนเหยียบย่ำทาลายภายนจิตใจของตนอยู่ตลอดมาเพราะไม่มียากแก้ไม่มีเครื่องสังหารนี่ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าใจ ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยอำนาจของกิเลสให้ความสุขแก่เราอย่างไรบ้างนอกจากสร้างความไม่สมหวังให้เราอยู่ตลอดเวลาหากจะมีความสุขบ้างก็เป็นเรื่องที่เสกเสกสันสรนพันยอด้นด้น ด, น ด, นดาวดาวเกาหมัดกันไปตามโลกตามสงสารเท่านั้นความจริงแล้วมันมีตั้งแต่เหยื่อรอบปลากิเลส หาเหยื่อมาล่อคนโง่ให้ติดจมไปเท่านั้นอา้าวถ้าเราอยากทราบเพงเหล่านี้ว่าเป็นเหยื่อลอ่อแก้ลงไปฝืนไปตามหลักธรรมที่เป็นเพื่องต่อสู้กิเลสเราอยากคล้อยตามกิเลสจะไม่ใช่เป็นเรื่องต่อสู้จะเป็นเรื่องยอมจำนนกิเลสมันพาให้รักรักเพราะเหตุผลกลไกอันไหนนี่คือการต่อสู้คือการพิสูจน์หาความจริงกัน รักรูปรูปไหนรูปนั้นมีความพิเศษหรือวิเศษพิโสมาจากรูปทั้งหลายในโลกนี้เหรอวิเศษพิโสไปจากรูปของเราซึ่งเป็นรูปดินน้ำดมไัยเป็นกองถุกนี่ไปอย่างไรบ้างรูปนั้นแยกแยะออกดูให้ดีมีอันในเป็น พิเศษพอที่จะให้รุ่มให้หลงให้เกิดความนักความกำหนัดยินดีคลี่คลายเข้าไปตั้งแต่หนังผิวหนังภายนอกโค้นเข้าไปถึงเนื้อถึงเอง็นถึงกระดูกทุกอวัยวะภายในจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นตามหลักความจริงนอกจากกิเลสมันเสกสรรตัน้นยอมันกรอมสรโลกด้วยความปีนอัดปีนถม เปีนเดียวกันกันกบความจริงหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของหน้ากำหนัดรักใครยินดีอ่าเป็นเราเป็นของเราถ้าได้มาเป็นของเราแล้วจะเป็นที่พึงใจนี่คือความหลอกลวงของกิเลสตั้งนั้นเมื่อได้เข้ามาแล้วเป็นอย่างไรอ่ายู่โดยลําพังใจของเรากับเรามันก็ทะเลาะกันอยู่แล้ว มีสองคู่ครองเข้ามาอีกก็เริ่มมาทะเลาะกันอีกยุ่มไปหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจับหัวชนกันทั้งนั้นมีความสุขที่ตรงไหนนี่การพิจรารณาคือการต่อสู้ต้องใช้วิธีการอย่างนี้เอาแยกเข้าไปจนกระทั่งมันแตกกระจัดกระจายลงไปก็ดูกท่อนนี้เหลือเป็นที่พึงใจ เนื้อชิ้นนี้หรือเป็นที่พึงใจของเราเราจึงรักดึงกำหนัดจินดีเอานักหนาเป็นเส้นนี้เหรือเป็นที่พึงใจอาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงอันนี้เหรือเป็นที่พึงใจของเราเราถึงรักถึงชอบเอานักหนาเราถึงได้เชื่อความรักความชอบนี้จนลืมเนื้อลืมตัวลืมบุญลืมบาปลืมอะไรอะไรไปเสียหมด เราดูให้ดีให้จริงตามหลักธรรมหลักธรรมจะต้องลบล้างความจริงว่าความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปได้เพราะสิ่งเหล่างนี้เป็นสิ่งจอมปลอมเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งเศษสรรปั่นย่อขึ้นมาันหาความจริงไม่ได้จึงหาความสุขเพราะการหลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนเราเมื่อได้ค้นให้เห็นตามหลักความจริงนี้ไปโดยลาดับลําดาแล้วใครจะกน้ายึดมั่นถือมั่นล่ะ กระดูกก็ทราบว่ากระดูกอยู่แล้วเป็นสมมติขั้นเนื้อหนังมังสางแต่ละอย่างละอย่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางภายนอกภายนอกภายในเต็มไปด้วยประช้าผีดิดทั้งเก่าทั้งใหม่ไทยเทกันไปตลอดเวลาเอามาเป็นสาระแก่นสารเป็นที่รักใคร่ชอบใจได้ที่ไหนนี่ปัญญาค้นคว้าลงไปให้เห็น คนแล้วคนเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเาเปิดออกมาเรื่อยๆฝุดค้นลงไปเรื่อยๆทำไมจะไม่ถึงแก่นแห่งความจริงตามหลักธรรมเราเนี่เหมือนพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงไปโดยลำดับจิตย่อมมีความสง่าผาเผยมีความอุ่อาจกร้าหารมีความเชื่อต่อความจริงและมีความเห็นโทษในความจำปลอมที่เคยเชื่อ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 การแก้สิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามหลักความจริงของธรรมที่ตรัสไม่ชอบแล้วนี่มีตั้งแต่เรื่องจะสั่งสมความสุขความสบายความหายกังวลทุกแง่ทุกมุมตัดทาระอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งหนักอึ้องอยู่พาณใ จ, จิตใจออกไปโดยลำหนับลำหนับจนกระทั่งจิต ด, ด, ดีขึ้นมาเป็นอิสระเสรีเพราะหมดความยืดใหญ่ทลายจากสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นด้วยความ จริงของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นแล้วแล้วเราจะว่าอย่างไรเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะพนจมอยู่กับนั้นได้อย่างไรเมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างนี้แล้วมันต้องทอต้องถอนโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับนอกจากเหตุเท่านั้นจะต้องต่อสู้กันเหมือนกับบังคับเรียกว่าบังคับในสงคราม สงครามมันเนื้อฝ่ายศัตรูมันป้อนเรื่องเข้ามาปลอมเรื่องเข้ามาหลอกเข้ามาด้วยคนนั้นอุบายนี้มีหมายถึงพวกฆ่าศึกเราซุ่งเป็นผู้ต่อสู้ข่าศึกนำของกินคือสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียร น, นี่เข้าไปต่อสู้พินิจพิจารณากันจนเห็นแจ้ง ตามความจริงแล้วตรอยวางลงโดยลำดับนำดนเราอย่าแต่ว่ารูปพูดแต่รูปหยาบยากนี่เลยแม้แต่สิ่งละเอียดซึ่งเป็นอาการออกมาจากจิตจากกายเช่นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งใกเฉยทั้งสัญญาความจาได้หมายรู้เข้าใจว่าเป็นความตรเป็นตนเป็นของตนทั้งขานความคิดความปรุงเรื่องราวต่าง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 ไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติเพราะการปฏิบัติเป็นผู้พาให้เป็นที่เรียกว่าต้นเหตุพาให้เป็นผลอย่างนั่นขึ้นมานั่นนี่แหละการต่อสู้กับกิเลสหนักหรือเบาก็ตามถือเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสมาหนักก็เอาให้หนัก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 ตัดเข้าไปตัดเข้าไปคาดสะบั้นเข้าไปจอยเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆภาระความกดท่วงจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายทําไมจะไม่รู้ว่าจิตนี่แหละคือตัวการพาให้เกิดให้ตายตั้งป่าช้าที่นั่นตั้งประช้าที่นี่ครั้งแห่งประช้าก็คือจิตตาอวิชชามันฝังอยู่ภายในนี้ พัทงทลายลงไปที่ตรงนั้นด้วยสติปัญญาขาดสะบันบ้นบรรดาที่เป็นสมมุติอวิชาก็เป็นสมมุติอันละเอียดสุดของใจโลกธาตุซึ่งครองอยู่หัวใจสัตว์ได้ทําลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันทันสมัยเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนว่าอาวิชาได้หลับไปแล้วซาก แห่งป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าที่ฝังจมอยู่ภายานใจที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วทีนี้มีแต่จิตวุนว่นว้วนแต่ไม่มีซากแห่งป่าช้าไม่มีป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าคืออวิชาก็ไม่มีซากที่เคยเป็นมาก็ไม่มีเห็นได้ชัด ในปัจจุบันนั่นเรียกว่าได้ชัยชนะแนวตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการชนะสงครามคูณด้วยร้อยด้วยพันด้วยหลานไม่ได้ประเสริฐอะไรเหมือนผู้ที่ชนะกิเลสของตนภายในจิต เพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้กระเสิษฐสุดนักังความสุขใดก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษสุดยิ่งกว่าความสุขที่พ้นแล้วจากส ม, มุิทั้งมวลเป็นอิสระอย่างเป็นตัวภายในใจนี่ผลแห่งความเป็นนักรบ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 นี่กิเลสใจ ห, หนายิ่งกว่าควากำแพงเจ็ดชั้นหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามเถิดนัตถิปัญญาสมาอาภาไม่มีสิ่งใดที่จะรู้แจ้งแทงตลอดไปยิ่งกว่าปัญญานี้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงไหมจรงสามารถแทงทะลุไปหมดบรรดาความมืดดำดำขาวทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภานในจิตใจเพราะอํานาจของอวิชชาไม่มีเหลือเลย เหลือต่้งแต่ญาณังอุดาปาริา น, นาาาร ญ, ญามไมนได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุดปาริปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาริความสว่างกระจ่างแจ้งรอบจิตรอบโลกธาตุได้เกิดขึ้นแล้วนั่นกล่าวไว้แล้วในธรรมจั ก, กรวัฒนสุขกลาวจากความรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติจริงของพระโทธิจัก ในธรรมจักกับปวัตนสูตรนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของเราด้วยกันสมุทยัยคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของพวกเรามารคือสติสมาธิฏฐิสัมมาสังกปรเป็นต้นจนกระทั่งถึงสมาสมา ธ, มา ธ, มาธิเป็นที่สุดเมยอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่หัวใจของพวกเรา เรามีอยู่ที่นี่นิโรธคือความดับทุกข์จะดับที่ไหนถ้าไม่ดับที่ตรงนี้นเพราะฉะนั้นถ้ามนจากกับปวุวตท่านสูตรที่ท่านแสดงนั้นท่านทอ้อนอกปากจากความเป็นจริงของพวกเราทุกๆท่านมาสอนพวกเราให้มีความรู้แจง้งเห็นจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะผ้นได้ ให้พากันเข้าใจหยุดติดตามไม่เพียงเท่านี้